เราไม่ได้มีหน้าที่ไปทําอะไรที่ผมบอกว่าเรามองหน้าเฉยๆจิตใจนี่มันก็สงบระงับลงเป็นปกติขึ้นแล้วเราก็รู้สึกได้ความปกตินง้ยถึงจิตใจที่มันปกตินั้นรู้สึกได้แล้วบางเอิ่องมันมีนความคิดมาเราก็เห็นอ้อยเหมือนมีคนเดินผานหน้าบ้านเราเราก็เห็นว่ามันผ่านหน้าบ้านไปแต่เราไม่มีความตั้งใจแต่แรกเลยว่าเราจะต้องเห็นมันนะเราจะได้คะแนนอะไรนี่ไม่ใช่แบบนั้นคิอ ความปกติอยู่แล้วจริงๆจะเรียกเขาเป็นคะแนแนก็ได้แต่ว่าเราก็ไม่ได้ตั้งใจทําความปกติที่ตั้งใจทําไม่ได้ด้วยถ้ามันตั้งใจมันจะไม่ปกติแล้วมันอยากจะได้ความปกติแต่ความปกตินี่มันเกิดขึ้นแบบเกิดจากเรานั่งเฉยเฉยไม่คาดหวังอะไรไม่ทําอะไรไม่มีความมุ่งหมายอะไรเล ย, เ, ลยเรานั่งสบายๆผ่อนคลายรู้สึกตัวอยู่แล้วผลลัพธ์ก็คือความเป็นปกติที่เราจเผยตัวออกมาตอนที่ผมบอกว่าแม่หมอที่มีเก็บบางจังใจ พอเราเฉยเฉยสบายสบายรู้สึกตัวไม่หมอทายออกคายออกคายออกดวงจันทร์ก็เปิดเผยตัวออกมามันไม่ได้ว่าเราไสร้างดวงจันทร์ขึ้นมามันมีอยู่แล้วเราแค่ให้โอกาสมันเปิดเผยตัวมาแล้วเราก็รู้สึกถ้าผู้ดวงจันทร์จะบอกเห็นเห็นดวงจันทร์ได้แต่ถ้าเป็นความปกติแล้วก็รู้สึกถึงมันได้ก็มันมันปกติเฉยเไม่มีอะไรเนี่ยแล้วพอเราพื้นฐานจิตเราเป็นปกติเฉยเฉไม่มีอะไรอะไรผ่านมาผ่านไปเราก็เห็นได้เห็นได้ชัดเจน และเป็นการเห็นที่ผมบอกว่ามันเราอยูบนบกแล้วไม่ได้อยู่ในน้ําจิตใจที่มันปกติมันหนักแน่นมันเข้มแข็งเนี่ยมันเห็นเนี่ยมันไม่กระโจนเข้าไปจับอารมณ์นะไม่กระโจนเข้าไปยุ่งกับมันเราจะเห็นมันไหมก็อ๋อมันเป็นสิ่งที่กำลังผ่านมาแล้วก็เดี๋ยวก็ผ่านไปแต่เราต้องอยู่บนบ้านอยู่บนบกเราก็คือตัวเราเป็นปกตินี่อันนี้เป็นเป็นบ้านเราบ้านที่แท้จริงของเราไอ้อย่างอื่นที่มันผ่านมาเฉยแต่คน ที่ไม่ได้สนใจปฏิบัติธรรมเขาก็อยู่ในโลกอะไรจะทบกข์เขาก็เข้าไปจับเลยอารมณ์อเกิดขึ้นเข้าไปอยู่กับมันเลยเข้าไปยุ่งกับมันเข้าไปสารต่อมันจนเป็นเรี้ยงเป็นลาเป็นทุกข์เป็นสุขอะไรแล้วก็มีเรื่องแะไรคนรู้คนรูไปเรื่อยหาเรืคนรูคนรู้ไปเรื่อยเนี้ยคือคนเรานิสัยไม่ดีเนยถ้าเราปฏิบัติธรรไปเรเรอรู้จักความนิสัยไม่ดีของตัวเองมากขึ้นเรื่อยๆว่าเรามนิสัยไม่ดีมาก ถมามันเกิดเรื่องอะไรขึ้นมาในชีวิตเราเนี่ยเราก็ไม่พอใจเรากโกรธเราอยากจะ็ระบายอารมณ์เราจะหาคนด่าเป็นความรู้สึกของการที่เราจะได้เห็นว่าตัวเองมันแย่แค่ไหนถ้าเราปฏิบัติธรรมมากๆเราก็รู้ว่าบางทีเรื่องมันเกิดขึ้นมาเนี่ยมันไม่ได้เกี่ยวอะไรกับคนอีกคนเท่าไหร่ครัางทีมันเกี่ยวกับเราเอง เรารับไม่ได้เองเราเข้าใจไม่ได้ว่าเหตุที่มันต้องเป็นนี้เป็นนี้เป็นนี้เพราะอะไรถ้าเราเข้าใจได้มันเรื่องมันจะไม่เไปโทษใครมันจะไม่ไปหาเรื่องใครโลกก็สมสุข <c oughs> อันนี้เป็นข้อละเอียดพอสมควรว่าคนส่วนใหญ่คิดว่าพอเราปฏิบัติธรรมแล้วเราต้องดูเหมือนจะเป็นคนที่ดีพอสมควรหรือว่า เรานิ่งขึ้นหรืออะไรขึ้นนะ่แต่จริงๆแล้วมันต้องมันจะเป็นลักษณะของความเป็นธรรมชาติที่สุดก็คือที่ผมบอกว่าสมมุติว่าเรารู้ว่าไอ้นี่ต้องเล่นหรือไม่ท่าท่งว่าไอนีเราต้องดูเราก็ต้องทำแต่มันทำอยู่บนเป็น acting ใช่ไม่ใช่ว่าทำอยู่บนพื้นฐานของโฟกัสหรือว่าอะไรแบบนี้ มันจะมีปัญญาที่จะรู้ว่าเราจะต้องแสดงบทบาทไหนตอนไหนเราจะต้องแสดงบทบาทเมตตาตอนไหนเราจะกลับสู่ความเป็นธรรมชาติที่สุดคือการปฏิบัติตัวของเราเนี่ยมันจะเหมือนกับเราเมื่อก่อนนี้แหละเหื่อยไหมเมื่อก่อนเราเป็นทำงานพอเราเริ่มปฏิบัติธรรมเราก็รู้สึกว่าให้เราต้องรู้สึกตัว เราต้องมีสติเราต้องถือศีลมันมีต้องเยอะเพราะนั้นความเป็นนักปฏิบัติธรรมเนี่ยมันก็ทำให้เรามีตัวตนนี้อีกรูปแบบหนึง่งขึ้นมาที่เราจะรู้สึกว่าเราต้องอยู่ในกรอบนี้อะไรเงี้ยที่ควรจะเป็นแบบนั้นซึ่งไอ้ ก, กรอบอันนี้เนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่ดี มันจะลาวบันไดที่จะต้องอาศัยจับอยู่แลเราขึ้นบันไดแต่เราจะไปต่อได้เราต้องปล่อยปล่อยแล้วถึงขึ้นไปต่อได้แล้วก็จับแล้วก็ปล่อยเราถึงจะไปต่อได้อีกถ้าเราจับเอาไว้อย่างเดียวมันจะไปไหนไม่ได้มันเป็นไปตามทฤษฎีตามหนังสือตามอะไรก็ตามจริงๆแต่ไปไหนไม่ได้ผมเห็นตัวอย่างของคนที่ ในทฤษฎีมากพอสมควรก็ต้องมีศีนสมบูรณ์ต้องละอกุศลอะไรเงี้ยไม่ให้มีอกุศลอยู่ในจิตใจอะี้ซึ่งการที่เราพยายามจะทําแบบนั้นตลอดเวลาเนี่ยมันคล้ายๆว่าเรามีตัวตนที่เป็นแบบนั้นอยู่ตลอดเวลาที่เรากำลังจะดำเนินอยู่ในทางเนี่ย มันเหมือนเรากาลังจับเราบันไดนแหละจับแล้วมันไม่ปล่อยเพราะมันพยายามจะต้องต้องเป็นอย่างนี้ต้องเป็นอย่างนั้นต้องเป็นอะไรตลอดเลยล่ะแต่วิธีกอั น, นึงคือว่าเราจับแล้วเราปล่อยเองไหมครับว่าอะไรตัวเราเนี่ยมีความระลึกไว้ว่าในขณะที่เราอยู่ในทางนี้เราต้องมีศีลเอาไว้รลึกไว้ในใจว่าเราควรจะต้องมีศีลเราควรจะต้องมีสติควรจะต้องรู้สึกตัวคล้ายๆเป็นการสอนตัวเองเฉย เขาเรียกว่ายึดแต่ไม่มั่นเรามีครรมําสอนว่าเรายึดมั่นถึงมั่นใช่ไหมมันเลยถึงต้องทุกข์เราเรายึดมั่นถือมั่นแต่ในขั้นนี้เรายึดไปก่อนแต่ไม่ต้องมั่นยึดเฉยยึดเอาไว้เป็นหลักของทางเดินแต่ไม่ถึงกับยึดมั่นการยึดเฉยๆนี่มันก็เอาไว้เป็นประคองไปเฉยๆเราก็จะไปได้ไปได้ไปได้ไเรื่อยๆแล้วจนถึงวันหนึ่งเนี่ย เราเองเป็นที่พึ่งของตัวเองนะเราไม่ใช่ต้องพึ่งเราคนไดเพราะฉะนั้นไอ้ทุกสิ่งทุกอย่างที่เราเคยเอาไว้เป็นหลักในการเดินทางมันกลายเป็นตัวเราเพราะเรากลายเป็นความว่าเรากลายเป็นทุกสิ่งทุกอย่างเราก็เป็นนเดียวกับทุกอย่างมันก็ไม่ต้องพึ่งพาอะไรเพราะมันมัน ม, น, มนจิตเรานี่มันขึ้นอยู่บนอวกาศดาวเทียนนี่มันขึ้นมาบนอวกาศมันก็ลอยเทงเตง ไม่ต้องอาศัยเชือกสลิงอะไรที่มันจะต้องขึงมันไว้ให้มันลอยอยู่ท่านี้อธิบดีด้วยสภาพของอวกาศนั้นทำให้มันลอยอยู่แล้วมันเป็นนัของมันเองเพราะฉะนั้นมันไม่ต้องมีหลักไม่ต้องมีอะไรเนี่ยมันกลมกลืนเป็นหนึ่งเดียวกับทุกสิ่งทุกอย่างอัตโนมัติแล้วเราเลยกลับสู่ความเป็นธรรมชาติที่แท้จริงเรากลับตัวความเป็นธรรมชาติเหมือนที่วกเราเป็นเลยดในอดีตนี่แหละแต่สิ่งที่ เราไม่เป็นคือเราไม่ถูกเราเราจะจิตใจเราจะหมดความดินน้นรนไม่มีความดินน้นรนจิตมันเป็นปกติไม่มีไปไม่มีมาราบเรียบอะไรแบบนั้นอะไรถูกอะไรผิดเรารู้หมดทุกอย่างร้อนเย็นอะไรรู้หมดอ่ะแต่ว่าเราไม่เป็นปฏิบัตษ์กับทัศน์ที่เราเจอคือมันแย่ลิอ่อนเป็นมันแล้มกับเป็น มันจะมีความเข้าใจเกิดขึ้นว่าอะไรเป็นอะไรเมื่อก่อนเนี้เราเจอผัสสะปิ้งเข้ามาเราก็จะคิดแล้วว่าทําไมเป็นอย่างนี้ทํำไมเป็นอย่างนั้นทำไมมันตั้งอย่างนี้ทําไมมันไม่พูดมันหลายทีแล้วหรือว่าอะไรก็ะตานทีที่เราจะปรุงแต่งทันทีเลยว่าผัสสนี้มันกระทบเพึ่บเราก็ข้คิดไปเลยแต่ถ้าจิตใจเรานีม่มีกําลังมีปัญญาขึ้นมาแล้วเนี่ยเราจะเกิดความเข้าใจ มันกระทบมาปุ๊บเราก็เข้าใจตอนแรกมันเข้าใจตัวเองก่อนเช่นสมมุติมีอิเลเกิดขึ้นมีอารมณ์เกิดขึ้นเห็นตัวเองก่อนเห็นตัวเองเสร็จปุ๊บก็เข้าใจอ๋อมันมันเป็นอย่างนี้มันจะเกิดความเข้าใจในขนาดเดียวนั่แหละมันไม่ใช่ว่าต้องไปคิดอะไรเยอะๆมันเกิดควเข้าใจปุ๊บมันก็ปล่อยมันก็ไม่มีอะไรชีวิตเราก็เลยไม่ต้องเป็นทุกข์ผมเคยบอกว่าเหมือนกับว่าในสังคมเนี่ย แม้กระทั่ากพี่น้องเราบางคนเราอาจจะสู้ว่านี่นิสัยไม่ไดีหรือบางทีญากพี่น้องเราบางคนไปเป็นโจรเนี่ยแต่เราก็ยังเมตตาเขายังสงสารเขายังไรครับทั้งที่คนในสังคมเขา อ, อาจจะด่ามันไม่ได้เป็นคนเลวเพราะอะไรเราถึงไม่ดา่ยยาญาติเราคนอื่นเพราะเราเข้าใจเขาเช่นว่าเขาอาจจะลําบากแบบนู้นลาบากแบบนี้เขาอาจจะมีเรื่องอะไรที่คนอื่นเขาไม่รู้ แต่เราเข้าใจาคนอืนเขาไม่รู้เขาเลยไม่เข้าใจยังไงเหมือนกันเพราะนั้นเวลาเราปฏิบัติธรรมแบบจนจิตนี่มันเป็นอิสระและ้วนี่มันมีปัญญามันเข้าใจทุกสิ่งทุกอย่างมันคือเหมือนเราเข้าใจคนนั่นแหละมุมมองต่อโลกของเรามันเลยเปลี่ยนไปเราเลยอะไรเข้ามาผ่านเข้ามาในชีวิตเราก็เข้าใจได้หมดเพราะเราเข้าใจธรรมชาติธรรมดาของสาระสิ่งก็แล้วว่ามันเป็นแบบเนี้ยมันจะต้องเป็นแบบนี้เหมือนคนมันยังเป็นอย่างนี้อยู่เนี่ย เราก็จะไม่รู้สึกว่าอยากจะไปด่าว่าหรือว่ารู้สึกว่าทําไมมันทําแบบนี้เลยเนี่ยเราก็จะรู้ว่าก็มันเป็นแบบนี้มันเป็นคนแบบนี้อะเนี้ยหลวงพ่อสุมโนโ น, นี่จะพูดตลอดเวลาจะมีคนนู้นมาว่าหายคนนี้ฟังไอ้ที่ปรวัตคนนู้นไม่ฟังเนี้ยหลวงพ่อบอกว่าเขาเป็นแบบนั้นทําเส้นสน <c oughs> ายก็เขาเป็นคนแบบนั้น แค่นี้เองปัญหาที่มันปัญหาของเราก็ราะอะไรเราไปเอามาเอามาไม่ชอบเอามาเก็บเป็นของส่วนตัวอ่ะแต่ถ้าเราเข้าใจแล้ว่าเขาเป็นแบบนั้นเหมือนเนี่ยพ่อหรืแม่อยู่มันต้องมีเรื่องไม่ถูกใจอะแต่ทำไมมันอยู่กันได้มันอยู่กันได้เพราะอะไรก็รู้ว่าเขาเป็นแบบนั้นถูกไหมมันมันอยู่กันได้เพราะมันว่ามันทําใจได้เข้าใจแล้วว่าเขาเป็นแบบนั้น ถ้ามันเข้าใจไม่ได้มันอยู่ด้วยไม่ได้หรอกคนสองคนที่อยู่ด้วยกันได้เนี่ยมันไม่ใช่เรื่องถูกผิดไม่ใช่เรื่องของเหตุผลแต่มันเป็นเรื่องความเข้าใจเพราะเอาเหตุผลเป็นหลักนี่มันมันฟาดฟันกันไม่จบพักทางคนตามที่เหตุผลของตัวเองเพราะนั้นการอยู่ด้วยกันมันเลยต้องอาศัยความเข้าใจไม่ใช่อาศัยเหตุผลไม่ใช่อาศัยอาการถูกผิดถ้าอาศัยแบบนั้นตาย มีอีกครอบครัวก็ระเบิดหนอกจากเป็นผ้าอาหารทั้งคู่ก็ไม่เป็นอะไรยเพราะนๆๆๆั้นศาสนาพูทที่เป็นศาสนาของปัญญาปัญญาคือความเข้าใจโลกเข้าใจสปปรรพสิ่งเข้าใจทุกอย่างศา ส, สนาพูดที่เเรื่องของอะไรที่เป็นอิธิปฏิหารอธิิหารเป็นเรื่อง ที่เราเข้าไม่ถึงอะไรแบบนั้นเป็นเรื่องของความเข้าใจว่าโลกเป็นแบบนี้แค่นั้นนี่คือศาสนาพุทธไม่ใช่เรื่องอะไรที่เราจะเข้าเข้าใจไม่ได้ไม่ใช่แบบนั้นพอเราเข้าใจได้ทุกสิ่งง่ายๆอย่ที่ผมบอกเราเข้าใจคนนี้แล้วก็เห็นใจมันสงสารมันเนี่ยมันดีแค่นั้นเอง เพราะหน้าที่เรานี่มีหน้าที่ที่จะกลับสู่ธรรมชาติเดิมแท้เราถึงจะมีโอกาสเข้าใจสรรพสิ่งได้เพราะสรรพสิ่งนั่นคือธรรมชาติถ้าเรากลับสู่ธรรมชาติได้เป็นหนึ่งเดียวกับธรรมชาติได้ความเข้าใจในธรรมชาติเดิมแท้ของสรรพสิ่งของชีวิตมันถึงจะเกิดขึ้นแต่ถ้าเราอาศัยการคิดพิจารณาอ่านหนังสือมาคิดตามเข้าใจตามความคิดทั้งหมดนี้ เราไม่ได้กลับเข้าไปธรรมชาติเลยเพราะเราอยู่ในอยู่ในโลกโลกของความคิดตลอดเราอาศัยสมองเข้าใจสิ่งต่างๆอาศัยสมองเข้าใจเรื่องนู้นเรื่องนี้อาศัยสมองคิดวิเคราะห์อะไรต่างๆนา น, นาว่ามันมีเหตุมีผลมันควรเป็นอย่างนี้ควรเป็นอย่างนั้นเรากําลังอยู่ในโลกของความคิดตลอดเราไม่ได้เข้าสู่ธรรมชาติเดินแท้เราเลยต้องทุกข์เต็มตลอด เพราเราไม่ได้กลับไปแก้ที่ต้นต่อก็คือการกลับไปสู่ธรรมชาติเดินแท้นะ่ธรรมชาติเดินแท้ก็คือความปกตินี่แหละพวกเราเกิดมาแล้วดิ้นรนเลย ท, ทันทีเด็กๆสังเกตจะเอานี่เอาโน่นเอานั่นมันแสดงออกอย่างเป็นธรรมชาติจริงแต่ว่ามันแสดงออกแบบธรรมชาติบนพื้นฐานของความมีตัวตนมันอยากได้นูน่นอยากได้นี่ ร้องไห้ตีโพยตีพายหีความทุกข์ตลอดออยากจะได้ความสุขตลอดอะไรเงี้ยเขาบอกนับปฏิบัติธทําก็ให้ทําจิตใจเหมือนเด็กคือห ม, มายความว่าเราไม่ไปเท่งไปบังคับมาไว้เพราะว่าเราโตมาเราเรียนรู้เรามีความรู้การอยู่ในสังคมอยู่กับเพื่อนหรือกับอะไรพวกเนี้ยเหนื่อยไหมเราก็จะหักห้ามใจด้วยใช่ไหมนี่เป็น เพื่อให้อยู่ในสังคมได้สังคมมีระเบียบที่ไหนพอสมควรเลยนะแต่ครูบาอาจารย์ก็จะพูดว่าให้ทำใจมัอนเด็กคือหมายความว่าภายในใจนี่อะไรเกิดขึ้ น, น่ยก็อย่ารีบเข้าไปกดข่มบังคับมันดูมันเห็นมันมาอันเดียงนี้แต่อันนี้เป็นทา ง, ทางเทคนิคนะไปดูมันเห็นมันที่ผมจะบอกว่าเรารู้ว่ามีอยู่ แต่เไม่ต้องสนใจมันมันจะดีกว่าถ้าเราใช้คําว่าไปดูมันเห็นอะไรเงี้ยเหมือนที่ผมบอกตอนแรกว่าพอเราบอกว่าไปดูความชิดเราก็จ้องจะไปดูความชิดเราคิดว่าดูความชิดแล้วดีแล้วมันก็เหล็กชิดตลอดอ่าแต่ให้เรารู้อยู่แต่ไม่ต้องสนใจมันนิดดีกว่าอะไรอะไรก็ผ่านมาผ่านไปเราก็รู้หมดแต่ไม่ต้องสนใจมันไม่ต้องเข้าไป pay attention เงี้ยมันไม่งั้นเราจะเข้าไปอยู่มันเลยในที่สุด พอเราเข้าไปอยู่กับมันปุ๊บอะไรเกิดขึ้นโลกเกิดขึ้นแหละธรรมชาติที่แท้จริงที่เราควรจะอยู่กับมันมันหายไปละเพราะเราเกินไปกับโลกแต่ถ้าเรารู้อยู่มันเกิดขึ้นแต่เราไม่ต้องสนใจมันกลับมาอยู่กับความรู้สึกตัวกลับมาอยู่กับความเป็นปกติกลับมาอยู่กับสภาพที่แท้จริงคือสภาพของการที่ไม่มีความดิ่นนอะไรเลยสภาพที่ไม่มีความร้อนลนไม่มีความ ติดหนักอะไรเลยสบายอลยอ น, นั่นคือสภาพธรรมชาติเดิมแท้ของเราที่เราต้องกลับไปยู่กลับมารู้จักหมันกลับมาสัมผัสมนันเอาเองแล้วพอเราอยู่กับมันอย่างต่อเ น, นื่องอยู่กับมันอย่างเป็นนิสัยจิตใจมันก็ฉลาดขึด้นฉลาดขึด้นเรื่อยๆเวลาอะไรผ่านมาผ่านไปเมื่อก่อนผ่านมาปลุบกระโจนเข้าไปเลยไปอยู่กับมันเอามันเลยเนี่ยแต่พอเรา อยู่กับความเป็นปกตินี่อย่างต่อเนื่องต่อเนื่องมากขึ้นก็สังเกตเห็นคนที่ฝึกที่จะอยู่ความเป็นปกติเรื่อยๆมันมาเนี่ยมันจะเกิดความรู้สึกว่ามันจะไม่เอาเองมันจะไม่อยากเอามันจะรู้สึกว่าไม่อยากจะไปโง่แบบนั้นไม่อยากทุกข์แบบนั้นไม่อยากจะเข้าไปทําอะไรให้ตัวเองทุกข์แพลนั้นมันจะไม่เอาแบบนั้นเองอันนี้เป็นความเป็นเองเราไม่ได้ทําอะไรเลยการนตัดสินใรทำสุดมิสัย จากที่เราเคยชอบขอ ง, สองโสโคกแล้วคก็ให้จิตมารู้จักของที่ดีกว่ามันก็รู้จักรู้จักมากครับมันก็ไม่เอาเองเราไม่ต้องว่าเฮ้ย hey, ไม่เอามันเป็นกิเลสมันเป็นอะไรอย่างเงี้ยเราก็ต้องคอยตัดคอยละอะที่ว่าละอะไรกันไเยอะละกุศลคอยตัดคอยละทิ้งคอยอะไรอย่างเงี้ยเราจะไม่ต้องไปทําแบบนั้นการที่เราคอยไปละ สิ่งต่างๆเหล่านั้นเนี่ยเรากำลังกระทําสิ่งที่ปลายเหตุแล้วก็ทําแก้ไขปลายเหตุคอยจาัด ก, การใใคล้ายๆมันแล้เปิดประตูอย่างเงี้ยแล้วก็ที่ฝุ่นเข้ามาพัดเข้ามาเรื่อยๆแล้วก็กวาดกวาดกวาดกวาดเราไม่ได้ปิดประตูเลยดีเราคอยกัดกวาดฝุ่นกวาดฝุ่นแล้วก็บอกวก่าโอ้ฝุ่นมันเยอะเกินฝุ่นมันเยอะเกิน พอกว่าที่สะอาดขึ้นหน่อยแล้วก็อ๋ออันนี้เรียกว่าสติเรียกว่าสมาธิกว่าที่สะอาดทีก็สติสมาธิสติสมาธิสติสมาธิอยู่แล้วนำไปไปไหนฝุ่นก็เป็นบ้านตลอแล้วก็นึก็เราปฏิบัติทำอยคนส่วนใหญ่ก็เป็นแบบไปนั่งทำไอ้ของอย่งเนี้ยกว่าฝุ่นในบ้านแต่ไม่ปิดประตูมันก็เลยทํำกันไม่จบด้วยซ้ำมันก็เลยปฏิบัติกันเหมือนจะดีเพราะอะไรเหมือนกับว่าอ้อฉันเห็น เห็นฝ like, well, uh ุ่นเห็นกิเลสฉันได้ลากมันออกไปด้วยเนี่ยตึดกวาดฝุ่นนี่ยไปแกะไปทิ้งนี้ยะอ่าแต่เป็นงานที่ไม่มีวันจบเป็นงานที่ไม่มีวันจบแต่เพียงแต่เราตื่นประตทุซะแล้วก็กวาดฝุ่นจบบานก็สะอาเลยแทนทีมันไม่ได้เรื่องที่ยากเย็นนะการปฏิบัติทํามไม่ใช่เรื่อง ยิ่ยากขนาดที่เราเคยเรียนรู้กันมาก่อนว่าโอ้โหมันทําไม่ได้เป็นพระอรหันต์เป็นไม่ได้หรอไม่ใช่เราไม่ได้เกิดมาเพื่อเป็นพระอรหนันเราไม่ได้เกิดมาเพื่อจะสามารถจะเป็นคนที่พ้นทุกข์แบบพระพุทธเจ้าเป็นได้เราไม่ได้เกิดมาเป็นพระเราไม่ได้มีหน้าที่ต้องปฏิบัติธรรมไม่ใช่แบบนั้นทุกคนเรียนหนังสือทํางานหาเงินซื้อบ้านซื้อรถ แต่งงานมีครอบครัวมีลูกมีหลานมีอะไรทุกเป้าหมายของชีวิตนั้นแี่ยของทุกคนเนี่ยเพื่อสิ่งเดียวคือความสุขเราอยากจะได้ความสุขเนี่ยเราทํามาทั้งชีวิตทั้งหลายเราก็อยากจะได้ความสุขเราทําแบบนั้นแต่พอเราพอว่ามาปฏิบัติธรรมเรากลับคิดว่าโอะความทุกข์แล้วมีความสุขอย่างแท้จริงเป็นไปไม่ได้ เพราะมันไม่สนใจเรื่องการปฏิบัติธรรมเพราะว่ามันคิดว่ามันเป็นไปไม่ได้แต่มันันไปหาความสุขในสิ่งที่ตัวเองอยากจะทําและเชื่อว่าเป็นไปได้มันก็เลยไปทําแต่ถ้าคนเราเปลี่ยนความเชื่อนิดเดียวเองว่าเราทุกคนนี่เป็นพออาาระอรหันต์ได้เราทุกคนนี่พ้นทุกได้เราทุกคนนี่จะเจอความสุขที่แท้จริงได้แล้วก็เริ่มที่จะทําตั้งแต่วันนี้ทุกคนไปทําได้ มันเ็นีทุกคนเคยทําได้ไม่ว่าจะจากจนก็รวยจัดไม่มีอะไรเลยก็มีอะไรขึ้นมามีบ้านมีรถสําเร็จความสุขทางโลกทั้งหลายอย่างที่เราไม่เคยคิดเลยทําได้เรายังทําได้เลยมันคืแต่ว่าเรามีความมั่นใจว่าเราคนนี้แหละจะพ้นทุกข์ได้เหมือนกันเราคนจะเป็นพระอาลัยไม่เหมือนกันเราลําบากในโลกขนาดไหนเรายังลำบากได้เลย และการปฏิบัติธรรมมันไม่ได้ลำบากขนาดนั้นเรากลับไม่นนทําเนี่ย ม, มันมีจุดนิดเดียวเลยพราะเราไม่เชื่อเพราะเราทำไม่ได้แต่พอที่นโลกเราบอกาฉันต้องทําให้ได้ฉันไม่ทำไได้ฉันมีลูกฉันต้อเลี้ยงลูกให้สําเร็จนะลูกฉันต้องรอดชีวิตไมด้มันมีแรงใจเลยทำปฏิบัติธรรมต้องมีแรงใจตรงนี้เหมือนกันต้องมีพลังงานแบบนั้นเหมือนกันที่เราต้องทำไม่ได้ มีคนไปถามผมว่าบอกว่าที่ทําได้ยังไงมีวันนี้ได้ไหมคือเราต้องทำอะไรเราก็ทำจริงมีตั้งใจจริงเพาปฏิบัติทำเราก็ทําจริงๆรตั้งใจจริงๆเราก็ทําได้ทุกคนก็ทําได้แต่ขอเรามุ่งงั่นแบบนี้เรามุ่ง ม, มบบั่นได้ในโลกได้ตั้งเยอะลองคิดดูว่าแต่ละคนจะจะตั้งใจได้ขนั้น มุ่งมันในขนาะถ้าเราตั้งใจมุ่งมันทำได้มันเป็นไปได้